ท่านสายวชนบุทรบดีสัตทั้งหลายสําหรับการเจริญพระกรรมฐานใกล้คือจะมาถึงเวลานี้เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานก็จะขอนำมาบุปกรรมของเปรตเออท่านที่ตายแล้วไปเป็นเปรตโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งท่านนี่จตายเป็นเ ป, นเปรตก็ต้องไปตกนรกก่อน เรื่องนี้ก็มีมาในพร ะ, ทะทรไตรปิฎกตามที่กล่าวมาแล้วสำหรับเรื่องราวของเปรตนี้ก็อย่าขอกล่าวแต่เพียงย่นย่อพอเป็นนิทัศนะเท่านั้นถ้าจะมากล่าวกันจริงๆก็จะเป็นหนังสือเล่มใหญ่มากก็อย่าขอเอาแต่เพียงว่าเป็นตัวอย่างคือคนเราถ้าทำความไม่ดีตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรก พ้นจากสัตว์นรกก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตก็เป็นสุรกายพ้นจากสุรกายก็เป็นสติเลชนันถ้าว่าเสกกรรมนั้นยังไม่หมดมาเกิดเป็นคนก็มีทุกขเวทนามากมีความยากจนมีความทุกข์สำหรับเรื่องดีกลาตอนนี้ไปเป็นเป็นเรื่องของเปรตบรรชิตหมายความว่าเปรตคือนนักบวชที่ตายแล้วต้องไปเป็นเปรต <c oughs> แต่งกล่าวไว้ตามทราบาลีว่าเมื่อท่านพระมหาโมคคลานะได้เห็นเปรตซึ่งมีรูปร่างเป็นนางเป็นพระบ้างเป็นนางบิสุณีบ้างเป็นสิกขมานาสำหรับสิกขมานานีได้แก่สมณีนนรีคือเนผู้หญิง ที่บวชแล้วมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปตอนเราสาวศีนศีหกศีขาวบวชเคร่งครัด บ, บกพร่องไม่ได้ถ้าบกพร่องต้องถือว่าพ้นจากความเป็นสา ม, มัญเลนชื่เรียกวสิกขมานาถ้ามีรูปร่างเป็นสา ม, มนเลนบ้างมีรูปร่างเป็นสา ม, มนเลรีบ้างตรงความว่าเปรตพระเปรตภิษุนีเปรตสา ม, มัเลน เ, นเปรตสา ม, มันเลรี ได้กล่าวว่าเปรตทั้งหลายเหล่านี้ล่องลอยอยู่ในเวหามีทั้งบาตรมีทั้งจีวรมีทั้งประคตเอวเขาเขงเปรตทั้งหลายเหล่านั้นที่สภาอยู่ติดตัวอยู่ลุกเป็นเปลวไฟลุกชดช่วงแผดเผาร่างกายของตนตลอดเวลาก็แล้วเปรตทั้งหลายเหล่านั้น ได้แต่เสียงส่งเสียงร้องคงครางอยู่บนอากาศเป็นที่น่าแปลกประหลาดเป็นที่สุดทั้งกล่าวว่าองค์สมเด็จตระสมมาสมุทัเจ้าได้กล่าวโทษทั้งเปรตทั้งหลายเหล่านั้นทั้งกล่าวว่าในชาติก่อนคือในสมัยที่เปรตทั้งหลายนี้เป็นคนบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วกัน <c oughs> เป็นคนก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ท่านพูดซ้มกันเพือในสมัยที่เขาเป็นมนุษย์มีโอกาสประเสริฐที่สุดโดยที่มีโอกาสได้เข้าอุปสมบทบรรพชาเป็นิเพื่อพิสุพิสุนีนาสิกาม น, นาสมณีนนสมณีนนรีในพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสก แล้วว่าความประพฤตของบรรดาพิสุพิสุนีสิกวันนาเสมณเลนสมณเลรีทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคารพในพระธรรมวินัยแต่บอกว่าประพฤติผิดธรรมผิดวินัยมีอาจาระอันช่วชาคำว่าอาจาระไดะในหมายความระพฤต <c oughs> มีความระพฤติชั่วช้ามากไม่นำพาในอันที่จะปฏิบัติตามพระพุทธฎีกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อถึงการกิริยาแล้วก็ได้เกิดเป็นสัตว์ในรกในแดนนรกอยู่สิ่งการช้านานขันหมดกรรมจากแดนนรกแล้วเศกกรรมชั่วยังมีจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตในวิสัยภูมินี้ เขาบอกว่านาทุเรศมากคือทรงเพศเป็นวิสุปิสุณีนาสิกวันนาสมณ น, นสมณรีก็ถูกไฟไหม้เผาลอยไปนาอากาศมีความร้าร้อนทรงเสียงอดอ่อนเ่กล่าวว่าก่อนที่จะมาเป็นเปรตนี้ก็เป็นต้องตกนรกมาก่อนในฝ่ายของท่านต่อไปนี่อ่านนะบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้น ที่ได้เล่ามาทั้งหมดนี้ทั้งกล่าวว่าถ้าหากว่าผู้มีปัญญายทั้งปวงได้พิจารณาให้ดีก็เห็นได้ ว, ว่าเป็นเปรตเศษบาตทั้งสิน้นคือเป็นเปรตประเภทที่ได้ประกอบกรรมที่เป็นอกศนุศลทำความชั่วไมื่อคั้งสมัยที่เป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ในนรกเสวยทุกเวทนาสาหัสอยู่ในนรกแล้ว เมื่อเสกกรรมยังไม่หมดก็กลับมาเป็นเปรตเป็นนั้นว่าคำว่าเปรตทั้งหลายในที่นี้ไม่เป็นเรื่องเลยขาบรรดาท่านทั้งหลายที่นำเรื่องนี้มากล่าวก็กล่าวตามบาลีมิได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นการเตือนใจบรรดาพิสุทธ์สมณเณรทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริสัท ทางนี้พ่อไเพะอะไ่อว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลาที่จะบำเพ็ญกุศลก็ขอให้ทุกคนตั้งใจดูจริยาของบิสุสมันเลนเป็นสำคัญถ้าบบสุสมันเลนท่านใดมีความเคารพในพระธรรมวิ น, นัยข้อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดี อย่างนี้เราก็บำเพ็ญกุศลร่วมด้วยได้ถ้าบังเอิญท่านหลายเหล่านั้นไม่มีความเคารพในพระธรรมวินยัยธรรมะส่วนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสาดาสมาสมาสมประเจ้าวทรงแนะนําไว้ธรรมะส่วนนั้นพิสูจนสมณีทั้งหลายไม่ยอมเคารพเปรอะพื้นผิดพระธรรมวินัยด้วยรายการทั้งปวง ตัวอย่างเช่นปฏิบัติหนักมในความโลภอยากจะรับร่ำรวยในทรัพย์สินต่างๆโดยม่ชอบธรรมเป็นการสะสมทรัพย์สินอย่างหนึง่งแสวงหาทรัพย์สินเพื่ออาชีพอย่างหนึง่งในสมัยที่อุปสมบทมบรรพชาอยู่ในพระพุทธศาสนาหรืออีกเบรคการหนึ่งมีจิตใจมม้สมเนกามารมณ ยังไม่ละความรักในเพศหรือว่าเป็นผู้มักกระโดดพยายาทจองล่าจองผลนในบุคคลที่ตนไม่ชอบใจนั่นมีความหลง <c oughs> หลงไหลอยู่ในชีวิตของตนมีเมาในชีวิตไม่มีความรู้สึกว่าอาถรรพร่างกายเปลี่นิจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกขังที่เต็มไปด้วยกำลังของความทุกข์ ร่างกายกลางกายเปรียณาตาที่เต็มไปด้วยกําลังที่จะต้องสลายตัวไปในที่สุดมัวเมาในชีวิตมัวเมาในทรัพย์สินมัวมัวเมาในลาบสักการะแล้วก็มัวเมาในความเป็นใหญ่ติดอยู่ในโลกธรรมทั้งแปดประการคือติดอยู่ในลาบอยากรวย ติดอยู่ในยศถาบรรดาศัก์อยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ติดอยู่ในความสุขในกามารมติดอยู่ในสันสเซินทั้งนี้ถือว่าท่านผู้นั้นไม่เคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเนืว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนำสอนให้มรนดาพิสูจน์สมณีนในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติอยู่ในกฎสามดกายคืออธิศินสิกขามีสิกขายิ่งมีศินบริสุทธิ์อธิจิตสิกขาทำชาญสมาบัติให้เกิดอธิปัญญาสิกขาทำใจให้มีความเข้าใจจริงในขอบเขตของพุทธศาสนาคือรู้เท่าทัานสภาวะความเป็นจริงบรโลกทั้งหมด จะเป็นคนก็ดีใส่ ก, ก็ดีวัตถุ ก, ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเนื้อโลกเต็มไปด้วยความทุกข์โลกปีการสลายตัวไปในที่สุดถ้าจิตเรายังมัวซุมอยู่ในโลกเพียงใดก็ชื่อว่าเรายังพอใจในความทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเพื่อพระเดชเจ้าสอนให้ละถ้ามาเอิญท่านอันหลายเหล่าใดหรือท่านใด ยังมีความพอใจในความรักระว่างเพศมีความโลภมีความโกรธมีความหลงไม่ทํากำลังใจของตนให้พ้นจากความโลภความโกรธความหลงท่านนั้นหลายเหล่านั้นที่ว่าเป็นผู้ตกอยู่ในขอบเขตของไบยูมไม่ใช่พุทธสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเมื่อท่านหลายเหล่านั้นปฏิบัติผิดถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไปสนับสนุนบรรดาภิสุทสมณีทั้งหลายเหล่านั่งเข้าก็เป็นอันว่าท่านเดินทางผิดร่วมกันไปเวลาตายก็ลงนรกเช่นเดียวกันเกิดมาเป็นเปรตก็เป็นเปรตด้วยกันอย่างพระก บ, บินเป็นต้นที่พาแม่และก็น้องสาวลงอเวจีมหานรก เมื่อตัวลงแล้วก็ลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความรักใคร่ซึ่งกันในการปฏิบัติร่วมกันเมื่อผิดก็ผิดร่วมกันตายแล้วก็ลงนรกเหมือนกันถ้าหากว่าเรามีความเคารพในสาวกขององค์สมเด็จโตทรงทัน ท, ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามพรมะธรรมวินยัยเมื่อท่านดีเราก็ดีด้วยเมื่อท่านไปสวรรค์เราก็ไปสวรรค์ด้วยท่านไปเป็นพลังปฐมเกิดเป็นพรหมเราก็เป็นพรหมด้วย แล้วก็ถ้าว่าท้าเกิดในนิพพานเราก็นิพพานด้วยเกิดแล้วไม่เกิดไม่ทราบเดี๋ยวไปนิพพานก็แล้วกันนี่ขอเตือนใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาวิสุทธิสมณเณรไว้ว่าอย่าประมาทในชีวิตเย็นหลงผิดว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วจะมีแต่ความดีถ้าความชั่วเข้ามาถึงตัวก็ดูอย่างพระมหากรบินหรือว่าเทวทัตเป็นต้น สำหรับเรื่องนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปยังมีอีกก็มีอีกเปรดหนึ่งจเจ้าเปรตอะไรดีเรื่องราวของท่านยาวเหลือเกินคือก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเปรตมาพูดในหมากนะักแต่ความจริงก็จะมาพูดกันสักพอสมควรเอาเปรตประทัตูประชีวีเปรตนีไหมนี่มาเด็ดเตรียมตัวมาเลยในะวันนี้นะ แลรัตตูบชีวีเปรตเนี่ยขอเล่าในความย่อก็เป็นลงว่าขอเล่าเรื่องของเปรตซึ่งเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารเพราะเปรตคุมเพิ่งทั้งเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสานในความจริงจะถือว่าญาติจริงๆมันก็ไม่ใช่ญาติเดี๋ยวท่านจะหาว่ามะูมม่ีปรดเปรตานังาหาว่าท่านเป็นญาติแต่ความจริงไม่ใช่แต่แท้ แนื้อความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพนามว่าอะไรกันแน่นะององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้เองคือสมเด็จพระสมณโคดมทรงบม่ขึ้นในโลกเวลานั้นพระเจ้าผีมีสารบรมกษัตริย์ร่มบาดเท้าเธอ มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าก็ในถวายพระเวรุวันในองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาา่ายเจ้าเมื่อถวายพระเวรุวันแล้วเขาปรากฏว่าไม่เดียวที่ส่วนกุศลในเวลากลางคืน <c oughs> ในในเวลากลางคืนปลายกฏว่ามีเสียงประหลาดล่องไปท่ามสาดทาผิดจิตใจขพระเจ้าพิมีสานให้วันหวาดในเรื่องนี้สมเด็จนนพุทตอนเช้าพระเจ้าพิมีสานได้ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินสีอย่างพังเวรุวันในการละครนั้นองค์สมเด็จประทรงทานเย็นในสมเพยากร ว่ามหาราชาขอถาวายพระพรพระมาหาบพิตรพระราชสมภารเสียงที่ได้ยินฟางได้ฟังนั้น <c oughs> ไม่ใช่เสียงอะไรเป็นเสียงของเปรตซึ่งเป็นผู้ทซึ่งเป็นผู้ได้เคยมีสัมพันธ์กับพระองค์มาจะกล่าวว่าเป็นย่ายก็ไม่ถูก <c oughs> เพราะว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปุตสะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกุมบัติขึ้นในโลกระหว่างนั้นก็มีพระราชวิราเป็นพระราชาได้นาราตน์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวายพระตาหารได้ขอพรว่า ในเมื่อข้าพระพุทธเจ้ายัางมีชีวิตอยู่พระองค์สมเด็จพระบรมครูจงอย่าไปสู่ประตูบ้านอื่นคอยปลดข้าพระพุทธเจ้าก่อนจึงกว่าจะตายสมเด็จพระจอมไตรบริมศาีสันดาลก็ทรงรับแต่ถ้ว่าการบำเพ็ญกุศลพระราชาก็ไม่ไม่ได้เหมาไว้แต่พระองค์เดียวใครจะมาถวายทานร่วมด้วยพระองค์ก็ไม่ทรงห้าม ได้ต่อมาเกิดสงคารามเกิดขึ้นได้สมพระราชโอรสสามองค์เป็นไม่ทัาไปปราบข้าศึกในขณะนั้นปรากฏว่าข้าศิกพ่ายแพ้ไปด้วยอำนาจธรรมารมีเมื่อเสร็จจากศึกแล้วพระราชโอรสกลับมาพระราชวินาดีใจจึงได้ให้พรว่าถ้าเจ้าต้องการอะไรพ่อจะให้ทั้งสิ้น งั้นลูกชายด้วสามและพระองค์จะเนยกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นข้าข้าพระพุทธเจ้าขอรับพรเพว่าพรอื่นแล้วไม่ต้องการทรัพย์สินมีมากแล้วแต่อยากจะเป็นจะาภาพถวายทานแด่องค์สมเด็จพระบาทิพแก้วเอาสักคนละสามเดือนแล้วเล่าคนละหนึ่งไปพ่อไม่ยอม บอกให้อมัดน้่ไม่ได้ลูกพ่อแกแล้วดีไม่ดีพ่อจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้นี่ท่านไม่ประมาทในชีวิตของท่านเมื่อต่อรองกันไปต่อรองกันมาก็เป็นว่าอนุญาตให้คนละเดือนให้ลูกชายแดงสามผลเป็นเจ้าภาพในพระพุทธเจ้าได้เอาอคนละหนึ่งเดือนเป็นสามเดือนด้วยกันเมื่อเป็นที่ตกลงแล้วพระราชโอรสทั้งสามเขเรียกนายสมยน รือว่าขุนขลังเข้ามาหาแล้วก็บอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราทั้งสามคนจะบวชในสนักขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าและเจ้าจงจัดเอาเงินในท้องแบบครังของเราทั้งสามคนถวายพระตาหารแก บ, บรรดาภิกษุสันสมนเณรภิกษุณีสันมนเณรสิกามนา ตลอดเวลาสามเดือนเรื่องนี้ทั้งหมดหมอบเป็นภาระของเจ้าเราไม่จะไม่ยุ่งด้วยแต่ว่าขออาหารทั้งหมดสมบูรณ์บริบูรณ์แก่บรรดาพระนันเลนทั้งหมดพิสุภิษุณีทั้งหมดเมือ่อนายเมื่อคุ้งคลังในรับฟังแล้วก็จัดการตามนั้นงานมันมากเลี้ยงพระนับเป็นแสนองนี่ในสมัยพระพุทธเจ้าสมุนนามมระุตธศา ถอย ห, หลังก็ไปอีกเท่าไรไม่ทราบตอนนี้หลังจากนั้นก็ไปเชิญมคพุ้งคลังเห็นว่างานหนักก็ไปเชิญเอาญาตมาให้เป็นค่าจ้างมีภาระในการเลี้ยงดูพระพิสุสมณนนในในพระพุทธศาสนาภายในไม่ช้ามันดาคนนั้นหลายเหล่านั้นมาตอนแรกมาปฏิบัติก็ดี ตอนหลังเมื่อเชื่องเข้าก็ชักจะไม่ดีเป็นอันว่ากี่กันทรับศิลคืออาหารทั้งหลายที่เขาถวายสงให้ลูกให้หลานกินบ้างตัวเองกินบ้างบางครั้งบรรดาพระสงฆ์ฉันอิ่มเรียบร้อยแล้วอาหารเหลือมากก็บอกว่าของทั้งหลายเหล่านี้เป็นเศษเล็กเศษน้อยคอยหล่วย ห, หลานแต่ความจริงของมากยกเอาไปบ้านหมด องสมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าคนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วก็าพากันไปเกิดในเวจีมหานรกสำหรับพระราชโอรสของพระราชาก็าไปเกิดเป็นเทวดาท่านพรสำหรับเดินท่อขุนคลังคนซื้อก็ไปเกิดเป็นเทวดาหลังจากนั้นเมื่อพุทธบายการนี้คือองค์สมเด็จพระเยศสีทรงตรัส ก่อบัตรขึ้นเธอก็ไปมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมิสารมรรคกษัตริย์ในคุ้งคลังเมื่อบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นแม้สมัยพระบุทษจ น, นานมากบรรดาเปรตทั้งหลายเราเอาเปรตตกนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตที่เรียกว่าประหัดทัตตูประชีวีเปรตต้องอดข้าวอดน้ำมานานแสนนาน ต่อมาถอยหลังจากกลับนี้ไปเกา้าสิบสองกลับมีองค์งสมเด็จพระพ毗ชิตามานสวรรณาว่าพระปฐมมุตระอุบัติขึ้นเกิด <c> ข <oughs> ึ้นในโลกเปรตทั้งหลายเหล่านัานานา้น อ, อดข้ดาวอดน้ำมานานเานั้นข้ากลับทูลองค์สมเด็จพระพ毗ชิตมานว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอดข้าวอดน้ํามานานมากเมื่อไรข้าพระพุทธเจ้าจะมีโอกาส ได้กินข้าวกินน้ํากับเขาบ้างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมภนามาบพุทธมุตระขอทรงตรัว่านับตั้งแต่นี้ไปเก้าสิบเอ็ดกัปจะมีพระพุทธเจา้าองค์หนึง่งทรงบวชขึ้นในโลกมีนามว่าพระสมณโคดมและจะมีญาติของเจา้าคือพ่อเดิมของเจา้ามีนามว่าพระเจา้าพิมิสารเป็นพระเจ้าปรินบคัคคต เมื่อบำเพ็ญกุศลก็องค์สมเด็จพระบระมศาสขขดาพระพุทธเจ้าองค์นั้นแล้วได้ก็โมทนาส่วนกุศลให้เธอจะมีความสุขพ้นจากความเป็นเปรต <c oughs> มันดาเปรตทั้งหลายเราดันคอยเวลามาถึงเก้าสิบเอ็ดกับรวมเป็กับที่เก้าสิบสองในคือกับที่ถามพระพุทธเจ้าองค์นั้นหลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบระทพิพแกว้ว จึงทรงตรัสว่าเสียงที่พระองค์ได้ทรงฟังเมื่อคืนก็เป็นเสียงบรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นมาร้องให้สาพพบพระบรมวานนีพระมาหาบพิตรได้ถวายทานแด่พระภิณฑู ส, สงบรรดาเปรตทั้งหลายเหลนานา่นานั้นมาคอยอนานไม่มีโอกาสที่จะ ส, ส, ส่งสูญเสียงร้องตักเตือน พระเจ้าวิเวสานิยังกราบทูลองสมเด็จพระพิชิตธรรมานมาทำยังไงเพื่อทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะมีความสุขพระองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเ จ, จ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตถัดว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมหาบพิตรพระราชาสมภารถ้าพระองค์จะมีพระมหากรุณาธิคุณสงเคราะห์กาบรรดาเพื่ทั้งหลายเหล่านั้น ขอพระองค์จงพระเจาทานทรัพย e ์ถวายพระตาหารเลี้ยงดูบรรดาบิสุสงฆ์ทั้งหลายแล้วทิสุงกุศลให้เธอจะมีความสุขพระเจ้าพิมีสารจึงได้อาตัณนาองค์สมเด็จพระวิชิตตมารพรบดีประสงค์ห้าร้อยโลคไปฉันในพระราชินิเวศเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเป็นเชษฐมทนาแล้ว พระเจ้าพิมพิสารยังได้อุทิศส่วนนว่าอีทางโลยาตีนางโฮตุซึ่งแปลเป็นใจความว่าขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าเมื่อท่านเอาทิศส่วสนเพียงเท่านี้บรรดาเปรตทั้งหลายเหล่านั้นได้รับโมทนา ก็กลับอัตภาพจากความเป็นเปรตหมดจากความหิวมีร่างกายอิ่มมีความสวยสดงดงามมากขึ้นและหลังจากนั้นปรายกฎ ว, ว่าเปรตทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขมีอาหารที่เป็นเครื่องบริโภคแต่ยังขาดอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องประดับคือผ้านุ่งเพราะไม่มี เขมีหน้าที่จะสร้างบาปไม่เคยทําบุญเขมีความเดือดร้อนตอนกลางคืนเมื่อพระเจ้าพิมเมสัยเข้าพระแท่านมรทมจึงได้เข้าไปสแสดงตนให้ปลายกฏยืนให้เห็นได้เห็นเวลายืนคนจะหันหลังให้ถ้าหันหน้าให้พระเจ้าพิมเมสัยคงทนไม่ไหววิ่งหนีแน่เพราเทวดาแก้ผ่า ในเราสงสัยเอเมื่อคืนนี่เปรตส่สงเสียงร้องวันนี้ไม่ร้องเป็นเทวดามีลาตาสวยสดงงามแต่หาเสื้อผ้าไม่ได้ตอนเชา้าจึงได้ไปถามองค์สมเด็จพระจอมไตรรองค์ก็ทรงตรัสว่าเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยถาวายผ้าผ่อนท่านสบายไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อพระองค์เยทรงสงฆ์ข้ ก็ต้องถวายผ้าตรายจีวรกบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพราะเจ้าพิมพ์แสงก็นิมนต์พระทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลถวายผ้าพระตาหารแล้วก็ถวายผ้าตรายจีวรกับพระอุทิศส่วนกุศลให้เป็นวัดเทวดาดั้งหลายแล้วนั้นก็มีเครื่องที่บริโภคสมบูรณ์ไม่มารกุศลต่อไป นี่เลยบรรดาท่านพุทธสาวสวนิกชนทั้งหลายเอาข้อนี้มาและนําบรรดาท่านทั้งหลายก็เราจะทราบว่าขึ้นชืี้ว่าของสองหรือ <c oughs> ว่าของส่วนรวมนี่ถ้าจะทําอะไรก็เป็นไปได้จิตบริสุทธิ์อย่ากันหน้าอย่ากันหลงังอยา่าบรรดาเปลือกทั้งหลายเหล่านั้นเวลาพระฉันอิ่มแล้วก็บอกนี่จะเอาไปให้ลูกนี่จะเอาไปให้หลาน ในดี่สุดก็ขนของที่เหลือนั้นเอาไปกินแต่พูดเดียวมันควรจะแจกเป็นแบ่งทานกันไปในในการบางครั้งที่เห็นของอะไรดีๆพระไม่ทันยฉันก็หยิบโน่นนิดหยิบนี่หน่อยกินเองบ้างให้ลกูกให้หลานบ้างการเุ็นพวเธอทั้งหลายต้องไปตกอาเวจีมหานรกแล้วมาเป็นเปรดอดข้าวอดน้ำสิ้นกาลนานมีความลาบาก จึงนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าจึงได้ส่งแนะนำว่าท่านาหลายถ้าไม่ต้องการมีทุกอย่างนี้ถ้าควรสร้างความดีสามเดีการึ้นหนึ่งทานการให้ <c oughs> สองศีลทมใจและวาจาให้บริสุทธิ์สาม สามภาวนาได้แก่เจริญจิตให้ทรงอยู่ในด้านของความดีที่เรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาตามที่บรรดาท่นานหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถ้าทุกท่านปฏิบัติตามกระแสพรวัฏธรรมเทิศนาขององค์สมเด็จพระจินดารสีที่ทรงแนะนําทุกท่านจะพ้นจากกายภูมิหนังสีเบกายคือไม่เคยเป็นสัตว์นรกไม่เกคยเป็นเปรตอสุรกายสติเลชัน ทางที่จะไปได้ก็คือมีสวรรค์พรหม น, นิพนธ์ในที่สุดถ้าเราสำหรับเรืร่องราวของเปรตตัวยอย่างในวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่า น, นี้ขอความสุขสวัสดีจงนี้เดบันดา ญ, ญาโยมพุทธบริสัทธ์ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี